เสียงอ่านหนังสือเตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มเจงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้ดาวนโหลดเสียงบรรเลงเป็นโนมาประกอบเสียงอ่านขอบคุณคุณรุ่งทิพดวงพยับที่กรุณาส่งต้นฉบับมาให้อัดเสียงต้องขออนุโมทนาทุกท่านไวน้นาทีนี้ด้วยนะครับแรงบันดานใจเล่มเจ็ หนังสือเล่มนี้รวบรวมเอาคำถามคำตอบจากคอลัมน์เตรียมสเสบียงไว้เลี้ยงตัวในนิตยสาราบางกอกรายสัปดาห์ตั้งแต่ฉบับที่ 2,499 จนถึงฉบับที่ 2,512 และผนวกเอาบทส่งท้ายคือรอยยิ้มของพระซึ่งเคยตีพิมพ์ในนิตยสารเชั่นสุดสัปดาห์ฉบับวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2549เข้าไว้ด้วย วันเทศกาลบางวันก็เป็นเครื่องชี้บอกได้เหมือนกันว่าบ้านเราเมืองเรามาถึงไหนกันแล้วอย่างวันสงกราณ์ที่ผ่านมานี้ทำให้ผมเกิดความคิดสองสามแง่เช่นหนึ่งเรายึดถือวันเทศกาลสงกราณ์แบบสืบๆกันมาโดยไม่ดูว่าในปัจจุบันยังเป็นโอกาสที่ควรเล่นหรือเปล่า หลายปีแล้วที่ฝนตกในช่วงสงกรานต์เป็นประจำถ้าปีหน้าปีถัดไปและถัดถัดไปฝนตกอีกก็น่าจะย้ายวันสงกรานต์ได้แล้วอาจจะเป็นช่วงเดือนมีนาคมแทนเพราะช่วงนั้นฝนยังไม่ตกแล้วก็ร้อนอบอ้าวเอามากผมว่าดูเพียเพ้ยนๆที่เราสาดน้ําเล่นกันตอนฝนตกขนาดผมไม่ได้เอาเนื้อตัวเข้าไปเล่นด้วย เห็นแล้วยังหนาวแทนเลยสองเดี๋ยวนี้ถ้าฝนไม่ตกจะร้อนอบอ้าวทนได้ยากไม่ชาพวกเราจะกลายเป็นเผ่าพันธุ์เดียวในโลกที่ถูกหล่อเลี้ยงชีวิตไว้ด้วยพลังความเย็นจากเครื่องปรับอากาศถ้าขาดเครื่องปรับอากาศก็ต้องตายผมเคยนั่งกินข้าวกับน้องคนหนึ่งในร้านที่มีแต่ลมธรรมชาติเป่า หันไปมองและเกือบสะดุง้งนึกว่าเขากำลังจะเปลี่ยนร่างเหงื่อการไหลโกโรกเป็นสายสายเรากับกำลังจะหมดสภาพต้องแปลงร่างเป็นอื่นในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าใครจะไม่รู้จู่ๆวันหนึ่งอาจเกิดโรคละลายเพราะแดดขึ้นมาก็ได้สผมเล่นสงกรานครั้งสุดท้ายดูเหมือนสัก20สิบกว่าปีก่อน จำได้ว่าผู้หญิงใส่เสื้อผ้ากันมิดชิดแต่ตอนนี้ใส่แบบไหนคงไม่ต้องบรรยายเหมือนกำลังทำหนังโป้ในโรงถ่ายก็ไม่ปานอีกอย่างเริ่มมีวัฒนธรรมทางเพศกลางถนนจงแจ้งมากขึ้นทุกทีถึงขั้นจับนมคนสวยลูกเป้าคนหลอ่อในเทศกาลสงกรานได้ไม่ถือกันและอีกหน่อยมิแปลว่านอกเทศกาลสงกรานก็ยุ่นยวนหลอกเ เท่าที่ทราบเมืองไทยเรายังมีครอบครัวที่เป็นปกติอยู่มากคือไม่ถึงกับหัวโบราณแต่ก็มีจิตสํานึกแบบเดียวกับเมื่อหลายสิบปีก่อนดังจะเห็นได้ว่านักร้องหรือดารานางแบบแลหลายๆคนซึ่งถ่ายแบบว่าวิวเป็นประจำแม้มีชื่อเสียงขับฟ้าเมืองไทยและเป็นที่หมายปองของหนุ่มๆทั้งประเทศแต่พอเข้าบ้านฝ่ายชายก็เกิดปัญหาผู้ใหญ่ไม่ยอมรับ ไม่อยากได้เป็นสะพ้ายไม่อยากให้ลูกชายคบหาด้วยอะไรทำนองเนี้ยอีกอย่างถ้าหากดูดูการสำรวจตามเว็บบอร์ดหรือหนังสือพิมพ์ก็ยังมีหญิงชายที่ไม่สนับสนุนการประพฤติทางเพศแบบโจงครึ่มกันมากแต่สงสัยผลการสำรวจจะใช้ไม่ได้กับคนส่วนใหญ่พฤติกรรมทางเพศที่น่าเกลียดจึงปรากฏทีขึ้นทุกที เรื่องคิดแก้ปัญหาโดยการรณรงค์ต่างๆเช่นเป่าร้องว่าเจ้าข้าเอ้ยอย่าทำอย่างนี้เลยคงไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เกิดผลได้จริงคนส่วนใหญ่เริ่มคลานที่จะมองกันแล้วด้วยซ้ำว่านี่คือปัญหากระทั่งปัญหาโตขึ้นถึงจุดของการแสดงผลลัพธ์เช่นคดีอาชญากรรมทางเพศรูปแบบต่างๆก็คอยตั้งคำถามกันว่าเอ๊ะ นี่มันเกิดอะไรขึ้นทำไมคนรุ่นใหม่ชักคิดอ่านไม่เหมือนมนุษย์เข้าไปทุกทีนี่แหละไม่มองเหตุแห่งปัญญาเสียแต่เนิ่นๆพอผลลุกลามทั่วไปหมดล้วค่อยสืบหากันว่ารากเหง้าคืออะไรหนอแล้วเราจะช่วยกันแก้ปัญหาได้อย่างไรทันอาจต้องนั่งคิดกันคนละสองสามนาทีต่อวันครับว่าจะทำอย่างไรให้คนใกล้ตัวเชื่อเรื่องกรรมวิบาก ทำอย่างไรให้เขาเห็นว่าความทุกข์จะไม่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหากคนใกล้ตัวเราเข้าใจว่าทุกสิ่งไหลมาแต่เหตุและมองเห็นกันจริงๆว่าสังคมกำลังช่วยกันสร้างเหตุแห่งทุกข์ความเห็นถูกเห็นชอบนั้นก็จะค่อยๆเป็นยาสลายเชื้อโรคทางจิตได้แม้การเยียวยาอาจต้องอาศัยเวลานา น, านสักหน่อยก็ดีกว่าไม่ช่วยกันทาอะไรเลย ความเสื่อมย่อมนำมาซึ่งความสิ้นสัญญาณแห่งความเสื่อมย่อมปรากฏผ่านความรุนแรงแห่งเพลิงราคะโทสะโมหะและเมื่อสัญญาณปรากฏชัดผู้คนย่อมท่อท้อถดถอยกับการสร้างความดีตลอดจนกระทั่งหมดอาลัยตายอยากกระทั่งกับความมีความเป็นในปัจจุบันเราไม่อยากอยู่ในโลกที่กำลังเสื่อมกำลังพัง กำลังจะล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่รอมรอแล้วนี้สารภาพว่าเมื่อหลายปีก่อนผมก็เป็นนักนับถอยหลังสู่วันโลกาวินาทกับเขาคนหนึ่งต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นนักนับถอยหลังสู่วันเห็นโลกใหม่ที่สดใสกว่าเดิมโลกแบบไหนจะปรากฏจริงเร็วนี้ไม่สำคัญสำคัญที่เรากำลังพยายามอยู่ในโลกแบบไหน หรือควรควายเข้าไปรวมกลุ่มกับพวกที่สร้างโลกแบบไหนต่างหากเพราะนั่นแหละคือกรรมของเราเราก็ไม่มีอะไรจริงสำหรับเรามากไปกว่ากรรมที่ทำไว้เนื่องจากจะมีเราเองเป็นทายาต ร, รับผลกรรมในวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วครับลงชื่อดังตรินมิทุนายนพุทธศักราช2549